มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอถวายความเคารพแด่พระมหาเทระพระเทระพระมัชฌิมะและพระนวักะทุกๆโรูปขอเจริญในธรรมกับญาติโยมทุกๆุกคนที่ได้มาร่วมในการปฏิบัติธรรมของกองทุนเล่าเรียนหลวง องกับพระภิกษุทุกๆรูปวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอีกวาระหนึ่งที่มีการฟังธรรมหลังจากการไหวพระสวดมนต์ยินการฟังธรรมนี่ถ้าว่าท่านตั้งใจฟังการฟังธรรมของการปฏิบัติ บางทีเราฟังครั้งหนึ่งเราไม่เข้าใจมาฟังอีกทําให้เข้าใจนี่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่อยชัดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการปฏิบัติวิปัสสนานี่เป็นการอยู่กับความจริงพบกับความจริงเห็นความจริงเพราะว่าการปฏิบัติแต่ละครั้งนี่เป็นสัมมาธิฏิอยู่ตลอด ที่ว่าเป็นสมาทิฏิเป็นสมาทิฏิอย่างไรท่านก็สามารถรู้ได้ด้วยตัวท่านเองด้วยว่าเวลาท่านกำหนดนี่ที่ว่าขวาขวาจริงไหมขวาย่างนอซ้ายย่างนอจริงไหมเป็นเรื่องจริงที่ทองพองพองจริงยุบยุจริงนั้นคือเป็นสมาธิฏิที่ว่าเป็นสมาทิฏิเป็นสมาธิฏฐิอย่างไร ให้ท่านตั้งใจฟังให้ดีคำว่าสัมมาทิฏฐิหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าคำว่าสัมมาทิฏฐินี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรเล่าสัมมาทิฏฐิก็คือเห็นทุกเห็นเหตุของทุกเห็นความดับทุกดับทุกได้แล้วคำว่าทุกนี่พระพุทธเจ้า สอนไว้ว่าให้เราทําอย่างไรกับทุกทุกคนย่อมรู้ดีว่าเรามีทุกขแต่ความเข้าใจคําว่าเรามีทุกนี่ไม่เหมือนกันแต่ละคนบางคนเข้าใจว่า เ, ออเราต้องดับทุกขแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกนี่ให้เรามีหน้าที่แค่กําหนดรู้กับทุกขให้เรากําหนดรู้พระพุทธเจ้าไม่ได้เคยสอนนะว่าให้เราดับทุกข แต่พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกให้กำหนดรู้ท่านพยายามฟังให้ดีว่าทุกอย่างไรทุกที่ให้กำหนดรู้แล้วทีนี้ถามดูว่าทุกอะไรล่ะที่ให้กำหนดรู้ความจริงในโลกนี้มันมีอยู่แค่สี่อย่างไม่ว่าคนนั้นจะเก่งขนาดไหนเลยนะ จะหาความจริงท่านอาจจะคิดว่าความจริงมันมีหลายอย่างแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความจริงมีอยู่สี่อย่างคือทุกอริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธอริยสัจนมัคอริยสัจนี่สี่อย่างสอย่างนี้ชื่อว่าความจริงอันประเสริฐไม่มีความจริงอันใดที่ประเสริฐยิ่งกว่านี้ เพราะว่าแล้วก็คำว่าทุกทุกเป็นทุกอริยสัจ <c oughs> พระพุทธเจ้าว่ายกำหนดรู้ทุกอริยสัจแล้วทุกอริยอริยสัจนี่มีอะไรบ้างเน อ, อทุกอริยสัจนี่มีอะไรบ้างท่านฟังให้ดีทุกอริยสัจนีมีอะไรบ้างคำว่าอาริยสัจนี่คือความจริงที่ใครปฏิเสธไม่ได้ เป็นความจริงที่ใครปฏิเสธไม่ได้ทุกนั้นก็หมายถึงว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความพิรไรรำพันความพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายนั่นแหละแล้วมาสรุปลงว่าอุปท า, านขันธ์ทั้งห้านั้นคือตัวทุกข์ นะนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าวะทุกนี้ลทุกนี้เล ย, เลยคือทุกอริยสัจแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าให้กําหนดรู้ทุกอริยสัจแล้วกําหนดอย่างไรล่ะที่กําหนดรู้ทุกอริยสัจ ท, ท่านต้องเข้าใจเสียก่อนว่าทุกอริยสัจนี่มันอยู่ที่ไหนที่ท่านจะกําหนดรู้ได้เพราะทุกอริยสัจนี่ คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความรัดรากจากของรักของชอบใจเนี่ยแล้วมันอยู่ที่ไหนถ้าบอกว่าอยู่ในร่างกายก็ผิดอยู่ในจิตใจมันก็ผิดนะแล้วถ้าที่ถูกอะทุกนี้อยู่ที่ไหนทุกนี้อยู่ในชีวิตทุกอริยสัตว์นี่คือมันต้องอยู่ในชีวิตเพราะเท่ากับรวมกัน ระหว่างกายกับจิตระหว่างรูปกับนามรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนั่นแหละจึงชื่อว่าชีวิตแล้วทีนี้พอชื่อว่าชีวิตนี่ทุกอริยสัจจะไปอาศัยอยู่ในชีวิตทั้งหมดมนุษย์มีไหมความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความรัดรากจากของรักของชอบใจมีเดรฉ า, านมี เปรตมีอสูรกายมีสัตว์นรกมีเทวดามีพรหมมีทุกอริยสัตว์เพราะฉะนั้นสัตว์ที่วนอยู่ในวัฏฏะสงสารล้วนแล้วแต่โดนทุกอริยสัตว์ครอบงำอยู่ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะทุกอริยสัตว์นี่ชื่อว่าทุกแห่งวัฏฏะ ทุกอริยสัจนี่ชื่อว่าทุกแห่งวัตฏะสงสารแล้วทีนี้คําว่าให้ท่านกําหนดรู้กําหนดรู้อย่างไรเพราะบางคนยังไม่เข้าใจว่ากําหนดรู้ทุกอริยสัจนี่กาหนดรู้อย่างไรบางคนก็ได้แค่นั่งท่องต้องบอกความเกิดเป็นธรรมดาความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บเป็นธรรมดาความปัจจุบั จากของรักของชอบใจก็เป็นธรรมดานั้นท่านนั่งท่องนั่งคิดนั่งนึกท่านรู้แล้วว่าทุกอริยสัจมันอยู่ในชีวิตถ้าท่านจะไปจับความแก่ก็จับไม่ติดจับความเจ็บก็จับอย่างไรได้เออจับอย่างไรได้ท่านจับไม่ได้ถ้าท่านจับไม่เป็นแต่ถ้าท่านจับเป็นจับได้ <c oughs> ถ้าท่านจับเป็นท่านจับได้สมมุติว่าน้นํานี่ท่านจะจับน้นํานี่ท่านจับไม่ได้แต่น้ํามันอยู่ในขวดสมมุติว่าปากานี่มันมีน้ำหมึก <c oughs> ท่านจะไปจับน้ำหมึกปากาท่านจับไม่ได้น้ำหมึกมันอยู่ในปากา ถ้าท่านจะไปจับน้ำมึกจับไม่ได้แต่พอท่านจับปากกามันติดน้ำมึกไปด้วยอพอท่านจับปากกาปุ๊บมันติดน้ำมึกไปด้วยถ้าท่านจับน้ำมึกจับไม่ได้แล้วทีนี้ปากกานี่นะเปรียบเสมือนชีวิตของท่านแต่น้ำมึกนี่เปรียบเสมือนความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากของรักของชอบใจอ่ะ มันอาศัยอยู่ในชีวิตก็เหมือนกับน้ำหมึกนี่แหละน้ํานี่ท่านจับไม่ได้น้นํานี่ท่านจับไม่ได้แต่น้ํานี่อาศัยในขวดขวดเปรียบเสมือนชีวิตแต่พอท่านจับขวดน้ามันก็ติดมาด้วยเพราะมันอยู่ในขวดเพราะมันอยู่ในขวดความแก่ ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เหมือนกันมันอาศัยอยู่ในชีวิตของท่านอาศัยอยู่ในชีวิตของท่านแล้วทีนี้ชีวิตของท่านการที่จับความแก่ความเจ็บความตายนี่ท่านต้องรู้ก่อนท่านต้องรู้ก่อนว่าชีวิตของท่านนี่มีอายุยืนเท่าไหร่ล่ะนี่ท่านรู้แล้วว่า ความแก่ความเจ็บความตายนี่มันอาศัยอยู่ในชีวิตของท่านท่านต้องรู้ว่าชีวิตของท่านนี่มีอายุยืนเท่าไหร่บางคนมันบางรูปบอกว่าเจ็ดสิบปีบางรูปบอกว่าแปดสิบปีบางรูปบอกว่าเก้าสิบปีร้อยปีไอ้นั้นเรื่องโกโหกทั้งหมดอ่ะถ้าเรื่องความจริงชีวิตของท่านน่ะไปหาอาดีตได้ไหม ไม่ได้หาอนาคตได้ไหมไม่ได้เมื่อหาอาดีตไม่ได้หาอานาคตไม่ได้เท่ากับชีวิตของท่านแค่เสี่ยววินาทีอยู่ปัจจุบันเท่านั้นเพราะชีวิตไปหาอาดีตไม่ได้ถ้าชีวิตของท่านร้อยปียังแยกได้เป็นอดีตอานาคตถ้าชีวิตของท่านหนึ่งปีงยังแยกได้นะ เป็น12เดือนเป็นอดีตเป็นอนาคตถ้าชีวิตของท่านหนึ่งเดือนยังแยกได้เป็น30วันเป็นอดีตเป็นอนาคตได้ถ้าชีวิตของท่านหนึ่งวันยังแยกได้เป็น24ชั่วโมงถ้าชีวิตของท่านหนึ่งชั่วโมงยังแยกได้เป็น60นาทีถ้าชีวิตของท่านหนึ่งนาทียังแยกได้อีกเป็น60วินาทีเป็นอดีตอนาคตได้แต่พอเสี้ยววินาทีเสี้ยววินาที นั le, it e ่นแหละคือชีวิตที่แท้จริงแล้วชีวิตที่แท้จริงนี่ท่านจําไว้เลยว่าความคิดจะเข้าไม่ถึงชีวิตที่แท้จริงนะความคิดจะเข้าไม่ถึงเข้าถึงเฉพาะความจริงความจริงจะเข้าถึงความคิดจะเข้าไม่ถึงถามดยที่ท่านเดินเดินท่านล้มอ่ะท่านเคยคิดไว้ล่วงหน้าบ้างไหมว่าท่านล้ม ไม่เคยคิดนั่นแหละคือความจริงเกิดขึ้นมาในเสี้ยววินาทีท่านอยู่นิ่งๆท่านปวดท้องท่านเคยคิดบ้างไหมว่าท่านจะต้องปวดท้องไหมนั่นแหละที่ท่านรู้ในปัจจุบันท่านอยู่นิ่งๆท่านได้ยินเสียงท่านเคยคิดบ้างไหมว่าท่านจะได้ยินไม่แต่พอได้ยินคือปัจจุบันที่ท่านปวดถามดูท่านเคยคิดบ้างไหมว่าจะปวดไหมท่านไม่เคยคิดว่ามันจะปวด แต่ความจริงจะเกิดได้ในเสี้ยววินาทีท่านจําไว้ถึงความจริงสิ่งที่เข้าถึงความจริงได้คือสติเท่านั้นคือสติเท่านั้นความคิดเข้าไม่ถึงที่ท่านมานั่งใช้ความคิดเข้าไม่ถึงความจริงแต่พอท่านกำหนดพอปวดปวดหนอหน่ะนี่เข้าถึงความจริงทันทีได้ยินได้ยินหนอนั่นเข้าถึงความจริงทันทีเข้าถึงความจริงทันทีเพราะฉะนั้นที่ท่านกำหนดอะ ที่ท่านกําหนดนั่นคือปัจจุบันทุกขณะทุกขณะนั่นแหละเข้าถึงความจริงที่ท่านกําหนดทุกขณะเข้าถึงความจริงชีวิตแค่เสี้ยววินาทีชีวิตแค่เสี้ยววินาทีท่านจำไม่ดีนะชีวิตแค่เสียววนะเส้ยววินาทีเพราะฉะนั้นเมื่อสมมุติว่าผมบอกแล้วว่าขวดนี้เปรียบเสมือนชีวิตน้ําเปรียบเสมือนความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากของรักของชอบใจ แต่พอท่านจับขวดมาปุ๊บมันติดน้ำมาด้วยและท่านจับขวดเมื่อไรก็จับปัจจุบันท่านจับปัจจุบันนั่นแหละติดน้ำมาด้วยน้ำหมึกปากกานี่เปรียบเสมือนความแก่ความเจ็บความตายปากกาเปรียบเสมือนชีวิตเพราะท่านจับปัจจุบันนั่นแหละติดน้ำหมึกมาด้วยถ้าท่านไม่จับมันก็ไม่ติดพอท่านจับนั่นแหละคือติดถ้าท่านไม่จับไม่ติดถ้าท่านไม่กำห น, นด ไม่ติดความแก่ความเจ็บความตายมาด้วยถ้าท่านไม่กำหนดเพราะอะไรเพราะโมงะเพราะหมะัะถ้าท่านไม่กำหนดไม่ช่้ว่าท่านกำหนดรู้ทุกนะเพราะฉะนั้นที่สอนทุกวันทุกวันทุกวันนี่ที่สอนทุกวันทุกวันนะไม่ใช่ว่าพระมาสอนกันเองนะเอามาจากพระพุทธเจ้าแล้วเอามาจากไหนพระพุทธเจ้าเมื่อกี้ที่ท่านชวนนะเมื่อกี้ที่ท่านชวทุกอริยสัจ คืออะไรคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอ่ะอีทังทุกขังอริยสัจจงอ่ะนั่นแหละที่ท่านชดูดนั่นแหละในธรรมจักรทุกต้องกําหนดรู้ที่พระอาจารย์มาสอนทั้งหมดอ่ะนั่นแหละคือเอาในธรรมจักรมาสอนแต่พอกําหนดตามในธรรมจักรจึงลงเข้าสู่มาหาสติปัฏฐานลงไปในนั้นทันที เพราะฉะนั้นการที่ท่านกำหนดทุกครั้งเท่ากับกำหนดรู้ทุกอริยสัจถ้าท่านไม่กำหนดจะลงในทุกอริยสัจไม่ได้ไม่ว่าคนนั้นจะเก่งขนาดไหนเพราะความคิดเข้าไม่ถึงความจริงถ้าเกิดท่านไม่กำหนดท่านจะเป็นแค่กินตะมยปัญญาแค่ปัญญาแค่ความปรุงแตง่งถ้าปัญญาของความปรุงแต่งก็ชื่อว่าโลกิยะโลกิยปัญญามันอยู่แค่นั้นอยู่แค่นั้น อยู่แค่โลกียาปัญญาแต่พอสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี่ชื่อว่าขนทางแห่งอริยะขนทางแห่งอริยะนะขนทางแห่งอริยมรคนี่มรคมีองค์แปดนี่ที่ท่านกนําหนดนะมรคนี่ขนทางแห่งอริยะหนทางแห่งผู้ประเสริฐเพราะฉะนั้นทุกคือการกําหนดรู้ทุกคือสัมมาทิฏฐินั่นคือเป็นความเห็นที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นที่ท่านกนําหนดทุกขณะทุกขณะทุกขณะ ทุกขณะที่กําหนดปัจจุบันนั่นแหละชื่อว่ากําหนดรู้ทุกอริยสัจตลอดเลยที่ท่านกําหนดอ่ะรู้ทุกอริยสัจ ท, ทุกก้าวที่ท่านกําหนดเป็นสัมมาทิฏฐิตลอดเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าท่านไม่กําหนดไม่สามารถเป็นสัมมาทิฏฐิได้ถ้าท่านไม่กําหนดไม่ว่าคนนั้นจะเก่งขนาดไหนถ้าไม่กําหนดจะเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ได้เพราะอะไรเพราะอารมณ์มันเข้ามา อารมณ์เข้ามาแต่ตัวสตินี่แหละที่จะสามารถเข้าถึงความจริงความจริงก็คืออะไรคือความรู้สึกความจริงคือความรู้สึกเพราะฉะนั้นปัญญาท่านจําไว้นะปัญญาแห่งทุกอริยสัจก็คือปัญญาที่ไม่ต้องคิดปัญญาแห่งทุกอริยสัจ Blue คือปัญญาที่ไม่ต้องคิดที่ท่านนั่งท่านรู้สึกปวดอะท่านคิดไม่ว่าปวดท่านไม่ได้คิดนั่นคือความรู้สึกนั่นคือความรู้สึกและท่านรู้สึกไหมรู้สึกรู้ไหมว่าปวดรู้ท่านคิดไหมท่านไม่ได้คิดแต่แต้ท่านรู้ไม่ปวดรู้คนรู้ความจริงโง่หรือปัญญาปัญญาที่ท่านรู้สึกท้องฟองต้องยุบท่านคิดได้พองใหยุบไม่ไม่นั่นคือความรู้สึก นั่นคือความรู้สึกที่มันพองมันยุบอยู่ท่านคิดได้พองยุบไหมท่านไม่ได้คิดและท่านรู้ไหมพองยุบรู้คนรู้ความจริงโง่หรือปัญญาปัญญาที่ท่านนั่งท่านรู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งรู้สึกฟุ้งแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันที่ถามดูท่านคิดไหมท่านไม่ได้คิดถ้าท่านบอกว่าท่านคิดแล้วทาไมต้องมาคิดใ้ตัวเองเที่ยวเบื่อเที่ยวเซ็งอยู่ด้วยอะนั่นคือเป็นหน้าที่ของจิต จิตเขามีหน้าที่เบื่อหน้าที่เซ็งหน้าที่โหดุเป็นหน้าที่ของเขาเพราะฉะนั้นที่ท่านรู้สึกเบื่อท่านกาหนดเบื่อหนาะเบื่อหนอเบื่อหนอท่านคิดได้เบื่อไหมไม่ได้คิดแต่นั้นคือความรู้สึกความรู้สึกกําลังเกิดว่าเบื่อหนอเบื่อหนาและท่านรู้ไม่รู้คนรู้ความจริงโง่หรือปัญญาปัญญาและท่านรู้ความจริงได้ด้วยอะไรด้วยการกําหนดถ้าท่านไม่กําหนดท่านหลงพิสูจน์ได้เลย ถ้าท่านไม่กำหนดเพราะท่านเบื่อเมื่อไรเวลามันจะหมดวะทำไมมันนานเหลือเกินวะจิตคุ้งทันทีอะจิตคุ้งทันทีพอจิตคุ้งเพราะอะไรเพราะว่าโมหะมันเข้าพอโมหะมันเข้าปุ๊บความคิดปิดบังปัญญาทัานทีแทนที่ท่านจะรู้ว่าเบื่อกลายเป็นท่านกลับไม่กำหนดรู้กลายเป็นโมหะเข้าทัานทีเข้าทัานที เพราะฉะนั iki, i, mira, ้นการที oca, th th ่ท่านกําหนดอ่ะกำหนดรู้ความจริงกําหนดรู้ความจริงทุกขณะทุกขณะทุกขณะนั่นแหละชื่อว่ากําหนดรู้ทุกอริยสัจที่ท่านนั่งและท่านง่วงอ่ะโอกเนง็กถามดูท่านคิดได้ง่วงไหมไม่ท่านไม่ได้คิดแต่นั้นคือความรู้สึกเอาที่ท่านรู้ว่าง่วงท่านไม่ได้คิดและท่านรู้ไม่ว่าง่วงรู้คนรู้ความจริงโอหรือปัญญาปัญญาและที่ท่านรู้ความจริงนั้นปัญญานั้นมาจากไหนจากการกําหนด เพราะฉะนั้นปัญญาที่เกิดจากการกําหนดนี่เขาเรียกว่าปัญญารู้ทุกอริยสัจถ้าท่านไม่กําหนดท่านจะมีปัญญารู้ทุกอริยสัจนี่ไม่ได้ท่านจําไว้เพราะอะไรเพราะอารมณ์มันเกิดพออารมณ์มันเกิดมันจะเป็นกินตามยะปัญญาชื่อว่าโลกิยะอยู่ทั้ ง, งตลอดโลกิยะอยู่ตลอดแต่พอท่านกําหนดรู้ความจริงปุ๊บนั่นแหละปัญญานั้นมาจากสติ สัมปชัชญะที่เข้าไปรู้ในความรู้สึกเมื่อมีสติสัมปัญญะเข้าไปรู้ในความรู้สึกปัญญานั้นเปลี่ยนเป็นปัญญาโลกุตระเป็นปัญญาโลกุตระนะเพราะปัญญานั้นเกิดจากสัมมาทิฐิปัญญานั้นไม่ใช่เกิดจากนั่งตีความนั่งวิจารไม่ใช่เพราะฉะนั้นท่านจะให้เข้าถึงปัญญาแห่งทุกอริยสัจนี่นะท่านต้องสิ้นคิด สิ้นหวังไม่ต้องไปหาเหตุผลเมื่อนั้นแหละท่านจะพบแต่ถ้าเมื่อไรท่านคิดท่านหวังท่านหาเหตุผลยิ่งคิดเท่าไหรยิ่งโง่เท่านั้นยิ่งหวังเท่าไรยิ่งโง่เท่านั้นยิ่งหาเหตุผลเท่าไรยิ่งโง่เท่านั้นเอาแล้วทำไมผมพูดอย่างนี้ความคิดของใครบ้างที่เกินอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ความหวังของใครบ้างที่เกินอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใครบ้างที่หาเหตุผลที่เกินอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันลงผลที่สุดลงที่คาว่ากามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาแล้วทีนี้สมูุทัยสมูุทัยคือเหตุของทุกข์ท่านจำไม่ดีนะสมมุทัย คือเหตุของทุกทุกพระพุทธเจ้าสอนว่ากำนัรู้แต่พอสัมมุทยัยพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ละให้ละแต่เวลาเขามักสนเขามักสอนอยังไงสัมูุทัยต้องหาเหตุของทุกสัมมุทัยต้องหาเหตุของทุกแล้วไปหามันทำไมเพราะสามุทัยมันคือเหตุของทุกอยู่แล้วคืออาวิชาเพราะไม่รู้จริงมันจึงเป็นสัมมุทยัย แล ie ie ้วทีน hey no ี้ท่านต้องไปหาอะไรมันอีกพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรสามูไทยละจะไม่ดีสามูไทยพระพุทธเจ้าสอนว่าละคือเหตุของทุกข์ไงละไม่ใช่ให้ไปหาเหตุของทุกข์คืออวิชชาเราเอาอวิชชาไปหาอวิชชามันจะเจอได้อย่างไรที่เราไปหาคือความคิดนะไปหาเหตุของทุกข์คือความคิดมันเป็นอวิชชาแล้วท่านไปหาอวิชชาแล้วมันจะจบได้อย่างไรเพราะอวิชชาไปหาอวิชชา ท่านเอาความมืดไปาหาความมืดมันก็เจอความมืดพบอยู่กันในความมืดอย่างนั้นนะมันไม่เจอในความจริงเพราะฉะนั้นคำว่าสมุทัยคือละสะมุทัยอ่ะคือละรู้จริงที่ท่านรู้ว่าปวดหนอนี่นั่นแหละรู้จริงแล้วรู้จริงแล้วจบปวดหนอะรู้จริงแล้วจบแต่พอปวดหนอทำไมปวดแบบนี้อ่ะทไมเป็นอย่างนี้นั่นสมุทัยเกิดเพราะอะไรอ พ เ, เพราะวิจิกิจฉาเข้าไงเพท่านยังสงสัยเขาเมื่อสงสัยเป็นอวิชชาทันทีเมื่ออวิชชาเกิดพบชาติเกิดเมื่อพบชาติเกิดชาราโมระเกิดเป็นทุกข์แห่งวัตะทันทีเพราะฉะนั้นตัวสัมมุทัยท่านจําไว้ตัวสัมมุทัยอะนะมันจะก่อปฏิจจส ม, มุปบาทเพราะอาวิชชาเหตุของทุกข์คือสัมมุทัยสมมุทัยคืออวิชชา แต่พอท่านรู้จริงอวิชชาดับเมื่ออวิชชาดับเท่ากับอวิชชามันไม่เกิดเมื่ออวิชชาไม่เกิดเท่ากับพพชาดดับเมื่อพพชาดดับจึงชื่อว่านิโรธวิราคะนิพพานะคือนิโรธปรากฏทันทีนิโรธปรากฏถ้าอาวิชชาไม่ปรากฏนิโรธปรากฏเพราะฉะนั้นให้ท่านแค่รู้จริงจบไปไว รู้จริงเจ้าไปไว้ได้ยินเนาะเจ้าไปไว้ได้ยินเนาะได้ยินเนาะไม่ใช่ได้ยินเนาะเสียงอะไรใครทำอะไรอ่าเอาวิชาเข้าทันทีไม่จบไม่เชื่อท่านลองดูได้นะไม่เชื่อลองดูได้ถ้าท่านเอาวิชาเอาความคิดปรุงแต่งนี่ท่านจะไม่เจอท่านไม่เจอความจริงเพราะความคิดนี่มันจะปิดบังอยู่ตลอดเพราะความคิดมันเป็นอวิชาเพราะความมืดนี่แหละ จึงทําให้แสงสว่างไม่ปรากฏแต่ถ้ามีแสงสว่างความมืดจะปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ท่านกนําหนดแต่ละครั้งอ่ะท่านกนําหนดแต่ละครั้งกําหนดเมื่อไรที่กําหนดแต่ละครั้งกำหนดเมื่อไรปัจจุบันกําหนดแต่ละครั้งกําหนดด้วยอะไรปัจจุบันปัจจุบันมีเวลาขนาดไหนเสี้ยววินาทีเสี้ยววินาทีท่านหาเหตุผลได้ไหมไม่ได้ท่านหวังได้ไหมไม่ได้ คิดได้ไหมในแค่เสี้ยววินาทีคิดไม่ได้ไม่ทันนั่นหลเข้าไม่ทันความคิดมันเข้าไปไม่ทันในเสี้ยววินาทีเสี้ยววินาทีแต่พอท่านไปคิดเท่านั้นแหละท่านไปคิดอ่ะมันไม่ใช่ความจริงของชีวิตแตชีวิตมันแค่เสี้ยววินาทีในปัจจุบันที่ท่านรู้ว่าปวดนั่นแหละในปัจจุบันท่านรู้ได้ยินในปัจจุบันแค่เสี้ยววินาทีเพราะฉะนั้นเสี้ยววินาทีความคิดนี่เข้าไม่ถึง เสี้ยววินาทีอะความคิดมันเข้าไม่ถึงเสี้ยววินาทีความหวังเข้าไม่ถึงเสี้ยววินาทีเหตุผลเข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดเมื่อไรท่านคิดเมื่อไรเป็นอดีตเป็นอนาคตปรุงแต่งทันทีคิดเมื่อไรปรุงแต่งทันทีเพราะฉะนั้นแค่เสี้ยววินาทีถ้าท่านว่าผมพูดเกินไปชีวิตแค่เสี้ยววินาที เอาแล้วท่านจะหาเกินได้จากนั้นได้ไหมชีวิตของท่านนี่ท่านจะหาเกินเสี่ยววินาทีได้ไหมไม่ได้แล้วแต่ละเรื่องที่เกิดกับชีวิตของท่านนี่ถามดูวะท่านเคยรู้ล่วงหน้าบ้างไหมเดินเดินท่านจะล้มลงนี่ท่านเคยรู้ล่วงหน้าบ้างไหมอยู่นิ่งๆท่านปวดหัวท่านเคยรู้บ้างไหมอยู่นิ่งๆที่เสียงเกิดขึ้นมาท่านเคยรู้ล่วงหน้าบ้างไหมไม่ที่ท่านรู้ว่าปัจจุบัน แล้วที่สามารถเข้าไปรู้ได้คือสติเท่านั้นท่านจำว่คือสติที่ท่านกำหนดอะไรนั่นแหละเข้าถึงถ้าท่านไม่กำหนดอะเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะให้เข้าถึงชีวิตของท่านที่แท้จริงพระพุทธเจ้าสอนอะอยู่กับตัวเองรู้จักตัวเองดูตัวเองเห็นตัวเองพบตัวเองถ้าท่านไปดูคนอื่นไม่เห็นท่านท่านไปหาคนอื่นไม่เห็นท่าน ท่านจะไม่เห็นตัวท่านเองเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะเห็นตัวท่านเองต้องกําหนดต้องกําหนดนั่นเลยต้องกําหนดถ้าท่านเห็นตัวเองก็คือเห็นทุกอริยสัจในเสี่ยววินาทีคือสติของท่านนั่นเลยที่สามารถเห็นความจริงของชีวิตได้ความคิดจะไม่เห็นความจริงของชีวิตเพราะฉะนั้นท่านมีนาทีกาหนดแค่เสี่ยววินาที เสี้ยววินาทีแล้วท่านลองดูในอภิธรรมว่าอย่างไงในอภิธรรมบอกขนจามารีเล็กขนาดไหนจุ่มลงในน้ํามันงาสลัดเจ็ดครั้งสลัดเจ็ดครั้งที่เหลือปลายขนจามารีคือชีวิตปัดโถเลด้วยตาเปล่าก็ยังไม่เห็นเลยชีวิตเอาแล้วในชีวิตนั้นมีอะไรอะท่านอย่าลืมนะขนจามารีสลัดทิ้งเจ็ดครั้ง ที่เหลือมองด้วยตาเราไม่เห็นนะคือชีวิตและชีวิตคืออะไรชีวิตท่านต้องจํานะถ้าชีวิตต้องมีคําว่าเกิดแก่เจ็บตายนั่นที่ซ่อนอยู่ชีวิตอาการ32ต้องมีอยู่ที่มองด้วยตาเนื้อไม่เห็นนะนั่นแหละมีอาการ32มีธาตุทั้งสี่มีอายทานะครบหมดมีกรรม ตั้งแต่อดีตเคยสร้างมากี่พบกี่ชาติมีมักมีผลมีนรกมีพรหมมีเทวดามีอยู่ในนั้นในในขนจารีที่มองด้วยตาเนื้อไม่เห็นนั้นนันมันเล็กขนาดนั้นแต่ดูข้อมูลมันบรรจุคว า, ามอัศจรรย์ของชีวิตมันบรรจุได้ขนาดไหนในขนที่ว่าขนจารีจุ่มลงในน้ํามันงาสาเร็ศสลัดเจครั้ง ที่เหลือมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนั่นชื่อว่าชีวิตแต่พอชื่อว่าชีวิตท่านอย่าลืมนะต้องมีคำว่าเกิดแก่เจ็บตายธาตุสีต้องมีธาตุสีต้องมีแล้วก็อาการสามสิบสองมีกรรมของอดีต ท, ที่เคยสร้างมากี่พบกี่ชาติ อยู่นั่นแหละนั่นนัอยู่ในนั้นเลยครบหมดข้อมูลในนั้นเลยครบหมดที่เรามองด้วยตาเราไม่เห็นนั่นท่านคิดดูอะแค่เสี้ยววินาทีแล้วในขนจามารีที่ว่าชื่อว่าชีวิตอะท่านคิดดูมีมดมีนรกมีสวรรค์มีพรหมอยู่ในนั้นแหละหมดเพราะอะไรเพราะชีวิตนี่ ถ้าอากุศลเข้าระวังไปทุกขติภูมิถ้าสุ ข, ขติก็ไปเป็นเทวดาเป็นพรหมตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นการที่ท่านกําหนดรู้ความจริงของชีวิตนั่นแหละชื่อว่าตัดภพตัดชาติเรื่อยนะเพราะอวิชชาไม่เกิดแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะที่ท่านกําหนดทุกครั้งอะ มันมีค่าอย่างมหาศาลหาซื้อไม่มีขายครูบาอาจารย์ไม่สามารถให้ท่านได้ท่านต้องทำเอาเองพ่อแม่จะมียุศถาบรรดาศักขนาดไหนจะเอาคำว่าสติมาให้ท่านไม่ได้คำว่าสติต้องกาหนดรู้เอาเองทุกขณะทุกขณะทุกขณะไม่มีใครนะที่ให้ท่านได้นี่แหละชื่อว่า อัตตาหิอัตตาโนนาโถตนนั่นแหละต้องเป็นที่พึ่งของตนในการเจริญวิปัสนาไม่มีใครมาเอามรักผลให้ท่านได้มรักผลท่านต้องอัตตาหิอัตตาโนนาโถนะพ่อแม่มียศถาบรรดาศักดิ์มีเงินมีอะไรมาซื้อมรักผลให้ท่านไม่ได้ครูบาอาจารย์เก่งขนาดไหนซื้อมรักผลนะให้ท่านไม่ได้ พระพุทธเจ้าเก่งขนาดไหนพระพุทธเจ้าเอามักผลไมใ้ใครนี้ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าสามารถชี้หนทางแล้วก็ให้ดําเนินตามนั่นแหละต่อได้ถ้าพระพุทธเจ้าให้มักผลได้ทําไมไม่ให้พระเทวทัตเสียแล้วเออแต่พระพุทธเจ้าชี้หนทางแล้วก็ให้ผู้นั้นเดินตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าชี้นี่ให้ถูกต้อง แล้วเมื่อนั้นหละมีโอกาสเมื่อนั้นมีโอกาสแต่ขอให้เราดำเนินไปดำเนินไปดำเนินไปให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นการที่ว่าทุกกำหนดรู้การที่ว่าทุกกำหนดรู้ที่ท่านกำหนดฝ่าย่างหน่อซ้ายย่างหน อ, ย อ, ยหนอได้ยินหนอทุกขณะนั่นเองนั่นเท่ากับท่านกำหนดรู้ทุกอริยสัจ ร, รู้ความจริงถ้าขอถามว่าทำไมต้องกาหนดด้วยละ่ะ ท่านก็บอกก็กำหนดความจริงนี่ที่จะกำหนดกำหนดความจริงแล้วครูบาอาจารย์รูปไหนบ้างที่สอนไม่จริงพอท่านขวาครูบาอาจารย์ก็บอกขวาอย่างหน้อนะพอซ้ายครูบาอาจารย์บอกซ้ายอย่างหนอนะพอท่านได้ยินครูบาอาจารย์บอกต้องกำหนดได้ยินหนอนะพอท่านปวดครูบาอาจารย์บอกปวดนอนะให้กำหนดความจริงตลอดเลยเมื่อกำหนดความจริงอย่างนี้ท่านไม่ต้องกลัว่าครูบาอาจารย์จะสอนผิดไหมท่านพิสูจน์ได้ด้วยตัวท่านเอง ออว่าถูกหรือไม่ถูกท่านพิสูจน์ได้ด้วยตัวท่านเองว่าที่ท่านกำหนดมันถูกหรือไม่ถูกถูกกับความเป็นจริงในปัจจุบันไหมถ้าถูกความเป็นจริงในปัจจุบันท่านไม่ต้องกลัวเพราะเป็นปัญญาตลอดเมื่อท่านกำหนดรู้อยู่ทุกอริยสัจเท่ากับปัญญาแห่งสัมมาทิฏฐิเกิดเมื่อปัญญาแห่งสัมมาทิฏฐิเกิดสามูไทยละเมื่อสามูไทยละเท่ากับนิโรธปรากฏ เท่ากับนิโรธะปรากฏก็คือนิโรธะวิราคะนิพพานะนิพพานทุกขะนะทุกขะนะก็นิพพานทุกเสี้ยววินาทีที่ท่านกำหนดเสี้ยววินาทีนั้นถ้าเสี้ยววินาทีนั้นความมืดไปเกิดแสงสว่างเกิดถ้าเสี้ยววินาทีนั้นความโง่ไม่เกิดปัญญาเกิดเสี้ยววินาทีนั้นถ้าความโง่ไม่เกิดท่านจาไว้ปัญญาเกิดถ้าแสงสว่างไม่เกิด ความมืดเกิดถ้าความมืดไปเกิดแสงสว่างเกิดในเสี่ยววินาทีเสี่ยววินาทีปัจจุบันเมื่อท่านกําหนดในเซี่ยววินาทีสติเข้าไปรู้ในเสี่ยววินาทีเป็นเรื่องจริงไหมจริงปวดปวดหน้อจริงไหมจริงได้ยินหน้อจริงไหมจริงในเสี่ยววินาทีนั้นไม่ได้โกหกไม่ได้โสดเสียดไม่ได้เพ้อเจ้อไม่ได้หยาบไม่ได้เบียดเบียนใครเป็นศีลทันทีแล้วกําหนดไม่ผิดไม่พลาดตรง ทุกขณะปวดก็ตรงปวดได้ยินตรงได้ยินตรงอยู่ในฐานทั้งสีไม่เคยผิดไม่เคยพลาดตรงปัจจุบันตรงในอิริยบทใหญ่ตรงอิริยบทย่อยเป็นสมาธิเป็นสมาธินะเพราะไม่ผิดไม่พลาดเลยนี่ถ้าท่านไม่มีสมาธิพลาดนะถ้าท่านไม่มีสมาธิพลาดแต่นี้ท่านมีสมาธิจึงไม่พลาดในฐานทั้งสีในฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมจึงไม่พลาดเป็นสมาธิ แล้วปัญญาก็คือรู้จริงรู้จริงยิ่งมีสมาธิปัญญายิ่งคมชัดเหมือนกับท่านยิ่งกําหนดปวดหนอปวดหนอนี่ท่านจะยิ่งเห็นเลยว่า i, ทําไมปวดมันยิ่งแรงอะ่ะท่านยิ่งก i, ําหนดไอ้ทำไมมันยิ่งเจ็บท่านกน i, ําหนดไอ้ทำไมมันเจ็บเอาก็พรท่านกําหนดปวดหนอเนี่ยคือสมาธิสมาธิตั้งมัน่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นปัญญาก็ยิ่งชัดปัญญาจึงยิ่งเห็น ว่าปวดแบบไหนในปวดนั้นมีร้อนมีเย็นมีตึงมันเคลื่อนไหวอย่างไรท่านเห็นตลอดเห็นตลอดเมื่อเห็นตลอดนี่มันเข้าไปถึงคำว่าลักษณะท่านกำหนดรู้แค่อาการแต่เมื่อท่านกำหนดปวดหนอปวดหนอปวดหนอสมาธิมั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะเข้าไปถึงคำว่าลักษณะคำว่าลักษณะนี่แหละที่เขาเรียกว่าไตรลักษณ์คว่าลักษณะนี่แหละ คือใจลักท่านจะเห็นถึงความมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาคือเข้าไปดําเนินการไม่ได้แต่มีสิทธิ์รู้ได้ไม่ใช่ท่านเข้าไปดําเนินการนะแต่ให้ท่านมีสิทธิ์รู้ได้เพราะฉะนั้นเวลาผมสอนะบอกว่าปวดก็ ก, กําหนดนะแต่เวลาท่านไปงรงอาธรรมอาจารย์กําหนดแล้วก็ยังไม่หายผมไม่เคยบอกว่ากําหนดให้หายแต่ผมบอกว่าให้กําหนดรู้ เออให้กำหนดรู akan, ้ที akan, ่ผมสอนผมไม่เคยบอกว่าท่านกำหนดให้หายนะกำหนดให้ชนะเลยนะผมไม่เคยหาไม่เคยบอกตั้งแต่สอนวันแรกจนถึงปัจจุบันใครเคยได้ยินผมบอกว่ากำหนดให้ชนะเลยกำหนดให้หายเลยไม่เคยบอกแต่ผมบอกว่ากำหนดให้รู้ความจริงนะให้รู้อาการรู้ลักษณะรู้อาการรู้ลักษณะเพราะวิปัสนา รู้แจ้งตามความเป็นจริงวิปัสสนารู้แจ้งตามความเป็นจริงไม่ใช่รู้แจ้งตามความคิดไม่ใช่นะวิปัสสนารู้แจ้งตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นที่ท่านกำหนดปวดหนอปวดหนอนั่นไงท่านรู้ความเป็นจริงแล้วเมื่อท่านรู้ความเป็นจริงแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงเขาไปอีกรู้ตัวหนึ่งเห็นตัวหนึ่งท่านรู้ว่าปวด แต่พอท่านกำหนดปวดหนอปวดหนอท่านจึงเห็นในปวดถ้าท่านไม่กำหนด ถ, ถ้าท่านไม่กำหนดนะท่านเพียงแต่รู้พอปวดแค่รู้ไปว่าปวดถ้าท่านไม่กำหนดอ่ะท่านเพียงแต่รู้แต่ไม่เห็นสมมติสมสมตินะสมมติท่านนั่งอยู่ตรงนี้เครื่องบินบินผมรู้อยู่ว่าเครื่องบินมันขึ้นแต่เห็นหมไม่เห็น รู้ตัวหนึ่งเห็นก็ตัวหนึ่งแต่ทั้งรู้ทั้งเห็นชัดเข้าไปอีกท่านนั่งอยู่ในนี้เครื่องบินขึ้นแต่ละวันผมรู้อยู่เครื่องบินมันขึ้นแล้วเห็นไหมไม่เห็นแต่รู้ชัดไหมไม่ชัดเพราะมันได้ยินเสียงมันขึ้นรู้แล้วว่าเครื่องบินมันขึ้นแต่ไม่เห็นไม่ชัดท่านปวดรู้ไหมว่าปวดรู้แต่ผมถามว่าปวดแบบไหนอ่ะก็มันปวดอาจารย์ ผมมึนตึ๊บเลยนะก็ปวดะปวดแบบไหนอะปวดแบบไหนถ้าท่านกาหนดจริงท่านจะรู้อะปวดมันเป็นก้อนปวดมันเคลื่อนไหวอย่างไรอย่างไรอย่างไรอย่างไงอย่างไงต้องกำหนดรู้จริงๆนะต้องกำหนดรู้ก็ไปจริงๆในปัจจุบันถ้าท่านไม่ปวดท่านจะเกิดปัญญาของฐานเวทนาได้ไหมไม่ได้นะท่านไม่มีโอกาสถ้าจิตท่านไม่เบื่อ ไม่เซงไม่โอทูท่านจะไปกำหนดฐานจิตได้ยังไงท่านจะรู้ฐานจิตได้ยังไงเพราะอารมณ์มันปรุงแต่งอยู่เวยแต่ท่านไม่กำหนดเพราะอารมณ์ปรุงแต่งมันปิดบังความจริงปิดบังความจริงแต่พอท่านกาหนด่ะท่านจะเห็นจริงปวดท่านก็เห็นจริงรู้จริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏนั่นแหละจึงทำให้ท่านเกิดปัญญารู้จริงปัญญารู้จริง ในปัจจุบันที่มันเกิดอยู่อะที่ท้องพองยุบมาแหละที่ปวดอะที่ได้ยินนอะที่เบื่อที่ง่วงอะที่เซ็งที่หดหูที่อะไรนั่นนัี่ปัญญานั้นแหะปัญญารู้จริงที่มันเกิดแค่เสี้ยววินาทีนี่แค่เสี้ยววินาทีถึงเสี้ยววินาทีนั้นที่ท่านจะเข้าถึงคือด้วยสติเตานั้นนะเข้าถึงถ้าความคิดเข้าไม่ถึงนะเสี้ยววินาทีนี่ความคิดเข้าไม่ถึงความคิดนี่มันไป วัยสู้ชนะสติไม่ได้สตินิมไวกว่าแต่ท่านไม่เคยฝึกสติจึงไม่ไวถ้าท่านเคยฝึกสติมันไวเมื่อพอสติไวมันจึงเข้าไปละสั่งโยน์ได้ละพบราชาติดับพบดับชาติได้สตินี่ถ้าฝึกนี่มันจะไวท่านฝึกสตินี่เหมือนกับท่านฝึกทหารวัยสู้กับโจรโจรคือตัวอารมณ์พอท่านเผลอสติ โจนเล่นอัดวอดวายเลยท่านเผลอสติปุ๊บอารมณ์เล่นอัดวอดวายเลยเพราะฉะนั้นที่ท่านขวาย่างเนะาะไส้ย่างเนนั่นแหละฝึกสตินี่เหมือนกับท่านฝึกทหารเหมือนกับท่านฝึกทหารนะที่ท่านกำหนดแต่ละก้าวแต่ละก้าวรู้ความจริงอะ่ะเหมือนท่านฝึกทหารทหารอ่อนแอเมื่อไหร่คือสติทหารอ่อนแอเมื่อไหร่สตินะอ่อนแอเมื่อไหร่ที่ท่านไม่กำหนดโดน โจนเล่นงานทันทีคืออารมณ์เข้าปล้นทันทีเข้าทำลายทันทีเข้าทำลายตัวปัญญาทันทีตัวรู้ความจริงทันทีเพราะฉะนั้นการแต่ละครั้งที่ท่านกำหนดนี้มีค่าอย่างหาประมาณไม่ได้เลยมันมีค่าอย่างมากมายมีค่าอย่างมากมายเพียงแต่ท่านมาที่นี่นะเพียงแต่ท่านมาที่นี่นะ ท่านแค่กำหนดรู้ท่านปัจจุบันแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะท่านเข้าใจในปัจจุบันตรงนี้แต่ละขณะมีอายุร้อยปีนะถ้าไม่กำหนดรู้รูปนามสู้ผู้ที่มีอายุเพียงวันเดียวไม่ได้มีอายุร้อยปีถ้าไม่รู้รูปนามจะสู้ผู้มีชีวิต เพียงวันเดียวไม่ได้แล้วนามคืออะไรคือตัวความรู้สึกคนตายไม่มีความรู้สึกคนตายท่านจับมือจับแขนจับขาเขาเวียงยังไงเขาไม่รู้แล้วเพราะเขาตายแล้วไม่มีความรู้สึกคนตายฝึกวิปัสสนาไม่ได้คนตายฝึกวิปัสสนาไม่ได้จับขาจับอะไรเวียงยังไงเขาไม่รู้ไม่รู้เพราะเขาตายไม่มีความรู้สึก ฝึกวิปัสสนาไม่ได้คนที่ประมาทคนที่ประมาทท่านดูบางทีท่านเดินไม่ได้รู้ตัวเลยที่ท่านเดินนะพราะท่านไม่ได้กําหนดนะท่านดูได้รู้ด้วยตัวเองว่าเผลอไม่ได้กําหนดเพราะท่านเผลอไม่ได้กําหนดกายท่านเดินอยู่ตรงเนี้กายท่านเดินอยู่ตรงนี้แต่จิตบางทีไปอยู่ในป่านู้นแล้วบางทีอยู่ห้องน้ําแล้วจิตไปถึงก่อนแล้วแต่กายอยู่ตรงนี้เพราะไม่กําหนด พออย่างนั้นกายกับจิตแตกสามัคคีกันเมื่อแตกสามัคคีกันเท่ากับชีวิตไม่สมบูรณ์ชีวิตไม่สมบูรณ์ก็เหมือนกับว่าผู้นั้นเป็นชีวิตผู้ที่ตายแล้วเออผู้ที่ตายแล้วเพราะอะไรเพราะไม่รู้รูปนามเพราะฉะนั้นพระพุทธเจา้าตรัสว่าผู้ที่ประมาทอยู่ก็เหมือนกับบุคคลผู้ที่ตายแล้วก็คือกายกับจิตแตกสามัคคีไงกายก็อยู่แต่กาย จิตก็ไปแต่จิตนั่นไม่ได้กำหนดแต่พอท่านกำหนดกายจิตคู่กันตลอดท่านรู้ตัวตลอดที่ตัวรู้ตัวนี่คืออะไรนั่นแหละคือนามแต่ต้องอาศัยรูปต้องอาศัยรูปที่ท่านรู้สึกท่านเยียบแต่ละครั้งที่มันตึงขึ้นมาอย่างไะไม่ใช่ความคิดนะที่ท่านเหยียบแล้วมันตึงอ่ะไม่ใช่ความคิดนั่นแหละคือความรู้สึกนั่นคือตัวสติเข้าไปรู้ที่ท่านเยียบแล้วท่านรู้สึกมันตึง แต่ละเก้าแต่ละเก้าที่มันตึงอยู่นั่นแหละคือความรู sí, ้ส being so, ึกความรู um, <no? S 2> <idor> ้ส <living> ึกเรียกว่าน้ำแต่ต้องอาศัยรูปเพราะฉะนั้นที่ท่านกําหนดเท่ากับท่านทันอยู่ในปัจจุบันเท่ากับทันรูปทันนามเมื่อท่านทันรูปทันนามอวิชชาเข้าไม่ได้อวิชชาเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ท่านกําหนดแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่มีอายุเพียงวันเดียว่ะ ยังมีค่ามากกว่าผู้ที่มีอายุเป็นร้อยปีที่ไม่ได้กําหนดท่านมาตรงนี้นี่นะเอาแค่ท่านเข้าใจเท่านั้นหลยผมก็ภาคภูมิใจแล้วเอาแค่ท่านเข้าใจเมื่อท่านเข้าใจแล้วท่านไปทำถูกต้องเท่านั้นผมก็ภาคภูมิใจแล้วท่านจะสอนได้ไม่ได้ผมก็ภาคภูมิใจแล้วถ้าท่านเข้าใจ ท่านทําถูกต้องท่านสอนได้ไม่ได้ผมภาคภูมิใจแล้วเพราะเหตุอะไรเพราะผมถือว่าสักวันหนึ่งท่านต้องสอนได้เพราะถ้าเข้าใจทําถูกต้องท่านปลูกต้นไม้ท่านเข้าใจแล้ววิธีปลูกท่านปลูกถูกต้องแล้วแล้วท่านต้องใส่ใจสักวันหนึ่งต้นไม้นั้นต้องออกลูกแน่นอนต้องออกผลแน่นอน ท่านปลูกท่านรู้วิธีปลูกเข้าใจแล้ววิธีปลูกแล้วก็ท่านปลูกถูกแล้วเมื่อท่านปลูกถูกแล้วท่านเอาใจใส่รับรองสักวันหนึ่งไม้นั้นต้องได้ผลออกมาท่านเข้าใจแล้วท่านทําถูกแล้วถ้าท่านเอาใจใส่สักวันหนึ่งท่านอาจจะเก่งกว่าหลายๆายคนก็ได้ในการสอน อาจจะเก่งกว่าหลายๆายคนก็ได้เพราะบรารมีในการสอนในการป่วยแผ่แต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ ท, น ท, น ท, ท, ท่านเข้าใจแล้วท่านทําถูกแล้วเท่านั้นนี่ผมก็ถือว่าใช้ได้แล้วแล้วการเอาใจใส่ทีนี้เป็นหน้าที่ของท่านท่านก็ให้ทำไปเรื่อยๆก็ให้ทำไปเรื่อยๆวันเล็กวันน้อยชั่วโมงสองชั่วโมง มันก้อนนั้นไปเรื่อยขอให้ท่านตั้งใจทําเรื่อยทําเรื่อยทําเรื่อยประโยชน์เกิดกับท่านเองผมอะได้อะไรจากท่านนะได้อะไรจากท่านตรงนี้ได้บุญนั่นเองได้บุญที่มาช่วยแนะนําให้ท่านได้รักษาดําเนินพระพุทธศาสนาตรงนี้ผมอะได้บุญออืได้บุญ เพราะฉะนั้นการที่มัดผลตรงนี้นะขอให้ท่านพยายามกําหนดวันนี้นี่ผมอธิบายเรื่องทุกอริยสัจให้ท่านให้ท่านฟังแล้วก็ให้ท่านรู้ว่าโอ้การการการกำหนดทุกอริยสัจนี่กําหนดอย่างไรไม่ใช่อยู่ที่นั่งคิดไม่ใช่อยู่ที่ความจริงเพราะฉะนั้นการที่ท่านกําหนดทุกครั้งนี่ให้ท่านรู้เลยว่านี่แหละที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในธรรมจักร บทธรรมมจกเป็นบทที่พระรัตนตรัยได้บังเกิดขึ้นมาบทธรรมาจากเป็นบทที่ว่ากล่าวถึงเทวดากล่าวถึงพรมนั่นแหละในบทธรรมจากทั้งพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณแล้วก็คุณของเทวดาทั้งหลายนั่นกล่าวถึงบทธรรมจากนี่เป็นบทครูเป็นบทแรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นบทที่ว่าเลิศบทธรรมจักรแล้วก็เป็นบทที่พระอริยะได้บังเกิดแล้วหนทางแห่งอริยะพระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องกาหนดรู้ทุกอย่างเดียวต้องกาหนดรู้ทุกอย่างเดียวเมื่อพอท่านกาหนดรู้ทุกเมื่อท่านกาหนดรู้ทกุเทกเท่ากับท่านกาหนดรู้ชีวิตเมื่อท่านรู้ชีวิต ชีวิตปรากฏที่ฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมเพราะฉะนั้นการที่ท่านกําหนดรู้ทุกนี่แหละเท่ากับท่านเจริญมหาสติประฐานสนะให้ท่านเข้าใจวันนี้พูดเกี่ยวกับทุกอริยสัจให้ท่านเข้าใจว่าออการกําหนดเป็นอย่างนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาบุญ กับท่านทุกๆรูปที่ท่านมีความตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วก็อนุโมทนาบุญกับท่านทุกๆบุญที่ท่านทำแล้วแล้วก็บุญกุศลทั้งหลายที่กระผมได้บําเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตแต่ชาติก็ดีจนถึงปัจจุบันในชาติก็ขอให้ท่านได้ส่วนบุญส่วนกุศลนี้เท่าเท่ากับกระผมด้วย และขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพอนุภาพของพระพุทธเจ้าอนุภาพของพระธรรมานุภาพของพระสงฆ์ก็ข อ, ขอส่งบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้ให้ท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ที่จเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระปฏิพานทนสารสมบัติและทำเป็นสมบัติ ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงสำเร็จทุกๆประการและขอให้ท่านทุกๆรูปมีความสุขความเจริญในชีวิตจนสำเร็จมรรคผลนิพพานด้วยเธนินสาธุสาธุสาธ